ไปพูดให้คนอื่นฟังคนอื่นก็เลยพลอยได้ยินแต่เรามีคนทุกเอาคมทุกของเราเนี่ยไประบายให้เพื่อนเราอันนั้นเนี่ยวเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นจึงไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคำสอนของพระเจ้าบัดนี้ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเราพูดตรงไปตรงมาเพราะว่างานมาทําทางจิตทางใจนี่แต่เขาจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้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 ไม่ต้องไปยืมเอาคำพูดของคนนั้นคนนี้มาพูดพูดความจริงนี่ต้องเอาตัวเองเข้าไปรับรองเข้าไปปักกันเป็นเครื่องคำประกันคนโบราณท่านจึงสอนเอาเสียสลากเงินคอเนี่ยเพราะเราต้องการไม่อยากเก็บใครได้ป่วยเสียสลากซักพหลักตาเอาไว้แย้วกันละเมสไปถึงหมอเลยบนี้เราเป็นเนื้อหนังเปื่อยนองไปถ้าไม่ตัดเนื้อนาส่วนี้ขิม เราจะเสียชีวิตยอมเสียสลับเมื่อห น, น, นังอนันต์แต่ให้มีชีวิตอยู่ได้ทำไมบัดนี้ชีวิตจะงหมดไปก็ตามแต่ยอมเสียสลับชีิตเพราะหลักษานผลจริงคือสัจธรรมพระพุทธเจ้าจึงว่าสัจคือของจริงจริงทุกคนจริงๆริจรึงจึงนำมาเล่ามาพูดสู่เพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันตา เมื่อ น, นำมาเล่ามาพูดจนไหนก็พูดควจริงแต่สิ่งที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจมานี่ผมหรือหลวงพ่อจริงชอบพูดเรื่องคนมจริงยอมเสียสละจริงๆเอาการกระทำอย่างนี้ทุกคนรู้ไม่ยกเว้นจะเป็นคนราตใดก็าตามถือศาสนาไหนก็าตามเป็นผู้หญิงผู้ชายก็รู้เป็นผักสงองค์เจ้าก็รู้เป็นฝรั่งเศสอังกฤษ